ก็จะไปคิดคึกขาลาแพ่หน้าใครตัดสินใจให้มันดีโลกอันนี้มันทุกข์มันวุ่นวายมันเบียดเบียนกันแย่งเสียงกันทำมาหาเรื่องจีบวันจึงเป็นเหตุให้คนนั่นประพฤติผิดศีลผิดธรรม ไปมากมายก็เนื่องมาแต่คนมันมีจำนวนมากคนมีจำนวนมากส่วนมากก็เป็นผู้มีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณมีความกำหนัดจินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละ มันจึงได้แสวงหาการมคุณเหล่านี้ต่างคนต่างแสวงหามันก็ไปขัดแย้งกันเข้าเมื่อขัดแย้งกันเข้ามันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นตอนนี้ก็เบียดเบียนกันทำทุกข์ให้แก่กันให้พากันพิจารณาดู ไม่ว่าแม่ชีแม่ขาวไม่ว่าภิกษุสามเณรก็มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าการบวชอยู่นี่นะความทุกข์มันเบาลงกลัวครองเลือนต้องให้เทียบกันดูอย่างนั้นมันจึงรู้ได้ มันยึงมีใจมั่นอยู่ในพรหมจรรย์การเป็นนั ก, กวดนี่เป็นมีทุกเบาลงอย่างไรก็มันเบาภาระลงไปคำว่า ก, การอยู่ครองเรือนมันต้องสร้างบ้านสร้างเรือนมันต้องขอนขวายสะสมอะไรทออะไรทรพัพย์ ไม่สะสมก็ไม่ได้เลยเพราะชีวิตมันเป็นอยู่กับของเหล่านั้นดังนั้นเนีมันจึงเป็นทุกข์หลายขัวนักบวชนักบวดนี่เรียกว่าสละทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วความมักใไก่ไฟสูงก็ไม่เอาความปัฒนาความร่มรวยก็ไม่เอา ท่านเนี่ยความรักสวยรักงา ม, ามรักสวยรักงามเล้วหาเครื่องประดับประดาหาเครื่องตกแตง่งร่างกายอันนี้สารพัอาก็ไม่เอาเนี่ยมันก็งพงภาระอันหนักจะลงได้เยอะแยะเลยการเป็นนักบวชเป็นงั้นน่าจะพากันพิจารณาให้มันเห็น การที่ผู้ที่ดิน้นรนไปแสวงหาความสุขในกรรมคุณมันก็ได้ยือรอกความสุขมีอยู่บ้างแต่มันสุขชั่วคราวหนึ่งผู้มีปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความสุขชั่วคราวมันเป็นเหยื่อร้อให้ติดอยู่ในทุกข์ ให้พี่นาดูให้มันเห็นผู้ที่ไม่ที่นาให้ละเอียดผีดทวนก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เบื่อหน่ายดังนั้นการเป็นนักบวชนี่นะต้องเป็นผู้มีความคิดอันสุ ข, ขุมลุ่มลึกต้องมีเหตุมีผล ปรากฏในใจเสมอเสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมจัจจ ก, กปวัตนสูตรนั้นะความผูกพันอยู่ในกรรมคุณเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ขันเมื่อไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์หมายความว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ครองเรือนอก็พระองค์แสดงไว้อย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงเมื่อปัญญาชน มาพิจารณาดูแล้วก็ย่อมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สำหรับผู้เท่าผู้แก่นั้นเป็นผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุมีผล มเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอยู่มันก็หลงก็เมาไปเป็นธรรมดามันก็เมาไปตามสมมุตินิยมของโลกเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมยังไม่ได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องหมนไปตามโลกเป็นธรรมดา แตปณ้ผู้มีบุญวัดนาบารมีเมื่อบุญบารมีมากระตุ้นเตือนใจก็บรรดาให้ได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงได้รู้ซึ่งในคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้ความว่าการที่จะอยู่ในบ้านในเรือนนี้ไปจน ร่มจนตายมันก็มีแต่ทุกข์อา้าวลูกหลานกระทำในสิ่งที่ไม่พออกพอใจลูกหลานกระทำชั่วช้าเร็วซ้ำให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อลูกหลานทำไปดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วย เหลือพ่อแม่ได้ปล่อยพ่อแม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเราพิจารณาดูหลายเรื่องหลายราวเข้ามาใส่กันแล้วมันน่าเบื่อนั่นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสลักบ้านเรือนออกบวชก็เพราะท่านมีปัญญาท่านพิจารณาเห็นเหตุผลในการอยู่ครองเรือนว่า มันมีแต่ทุกข์หลายกวุศอมเมื่อเอาบวกรบคุณหารกันดูแล้วดังนั้นพวกเราที่มาได้ปวดได้เรียนในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วจึงสมควรที่จะมีความคิดอันสุขขุมลุ่มลึกอย่าไปคิด เห็นแต่ตื่นตื้นไปเหคิดเห็นแต่ตื่นตื้นมันก็เอาตัวรอดจากทุกไปไม่ได้เลยก็ให้ถือเอาว่าที่ป่วงมาแล้วนั้นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเป็นบทสอนให้รู้ว่าถ้าจะผูกพันอยู่ในกรรมคุณเช่นนี้แล้ว ก็จะไม่พ้นทุกสักทีเกิดมาชาติใดพบใดก็จะมาผูกพันซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นทุกได้เอา้าไปผูกพันซึ่งกันและกันเน่ะไอ้ทาชั่วก็พร้อมเพียงกันทําชั่วลงไปทําดีก็พร้อมกันทําดีอ บัด น, นี้เมื่อได้เสวยผลก็เอาเหมือนกันได้เสวยทุกเหมือนกันเสวยสุขเหมือนกันแล้วสุขทุกเหล่านี้มันก็เป็นบ่วงคล้องจิตใจให้ติดอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งแทงตลอดความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสพาสิตได้ว่าทุกข้าชาติปูนปูนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์มากอพระองค์เจ้าจึงสรุปลงอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นภาสิทธิทไว้ดังนั้นเนี่ยเราผู้เป็นบริษัทของพระ อ, องค์อ่ะก็ลองพิจารณาดูสิมันจริงอย่างที่พระ อ, องค์ ตรัสอะไรหรือไม่ถ้าผู้ใดไม่พิจารณาอย่างนี้นี่มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกอันนี้อเรื่องมันนะเพราะบางทีมันก็ไปพินาศเห็นแต่แง่ความสุขความไม่มีโรคเบียดเบียนร่างกายสมบูรณ์กินได้นอนหลับเท่านี้แล้วก็ถือว่าตนมีความสุข เมื่อไปติดความสุขอย่างนี้แล้วมันจิตใจมันก็เพลินไปเรื่อยแล้ววันนี้นะนึกว่าตนมีกำลังวางตาสามารถที่จะเสแวงหารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์ ม, มันก็ไปอย่างนั้นเลยดังนั้นการทำความเพียรจึงชื่อว่าผู้ทำความเพียรนนะ จะไม่เห็นแกหลับแกนอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพอประมาณนอนพอประมาณเหลือเวลาไว้ทำความเพียรเป็นเช่นนั้นบางคนก็อาจคิดว่าไม่เห็นว่าไปหน้ามาหลังอะไรนั่งภาวนาก็แค่นั้นแหละนั่งใจใจก็สงบลงก็ยู่แค่นั้น ไม่เห็นได้อะไรนี่คนส่วนมากมักจะไปจนมุมอยู่ตรงนี้แต่แล้วต้องนั่งภาวนาต้องให้นานๆดูซิบะนี้ถ้าถือว่าตนนั้นมีจิตใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอย่างนี้นะแล้วแล้วต้องนั่งภาวนาให้นานๆไปก่อนนั้น มันน่อนางเป็นนานไปมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วจิตใจเป็นยังไงบะนีะ้จิตใจจะรู้เท่าอาการของร่างกายที่มันเป็นขึ้นมานั้นไหมต้องสังเกตดูจิตใจของตัวเองอถ้าหากว่ามันไม่รู้เท่ามันก็จิตใจในี้ก็วุ่นวายแล้วเลือน้อ น, อน แม่เจ็บแล้วเกินปวดแล้วเกินไม่มีอุบายที่จะสอนจิตตัวเองให้รู้เท่าทุกเหล่านั้นนั่นแหละแตถ้าใครนั่งภาวนาแล้วมันเฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นแ่ะลองปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ลองดูเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาในวันนี้นะ เมื่อเห็นทุกขึ้นมาก็ใช่ปัญญาสอน น, ะนี่แหละขันทังห้าธาตุทั้งสี่รวมเรียกร่างกายจิตใจอันนี้นะมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะรู้ไหม ม, มันเป็นทุกข์ถ้าหากว่าร่างกายนี่มันเที่ยงเรานั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เจ็บไม่ปวด นานปันใดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ร้อนไม่หนาวนั่นแหละก็เพราะเหตุว่าร่างกายอนี่มันไม่เพียงไม่ยั่งยืนนั่งไปนั่งมามันก็ปวดขึ้นมาร้อนขึ้นมาหนาวขึ้นมาอะไรสัรพัดแต่มันจะแปรแปรปวนไปนี่เราก็รู้ที่แบบนี้นะ นี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายถ้าจิตใจวันไหวตามร่างกายนั่นก็รู้ลักษณะอาการของความไม่เที่ยงของจิตเมื่อสิ่งไดไม่เที่ยงสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์การที่จิตวันไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าจิตเป็นทุกข์การที่ร่างกายแปรผันวันไหวไปมานั่นแหละ ที่ว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่ทุกขลักษณะของร่างกายมันัะเป็นเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้สวยทุกนั้นจิตต่างหากเป็นผู้สวยทุกนั้นเราต้องแยกออกจากการดูอย่างนี้ ดังนั้นร่างกายนี้ถึงจะมันจะวิบติแปรปรวนยังไงถ้าจิตรู้เท่าปงวางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นมีแต่รา่รางกายอย่างเดียวแปรปูนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนี่แหละการปฏิบททัติธรรมเมื่อไม่เห็นทุก ก็พยายามให้ทุกขปรากฏขึ้นแล้วก็สอนจิตให้รู้เท่าทุกนั้นริงอยู่บางคนไม่เจ็บไม่ป่วยกินได้นอนหลับนั่งภาวนาไปมันก็เฉยๆไปไม่เห็นทุกเห็นภัยอะไร น, นั่นแหละเราต้องนั่งให้นา น, น, าน เมื่อนั่งไปนานๆแล้วมันก็เห็นทุกข์แล้วแบนี้นะมันก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เห็นได้เลยแบบนี้นะอมันเป็นงั้นพรามันเห็นได้อย่างงี้ทำไงอ่ะเอากมเมื่อมันรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปเดือดร้อนกับมันก็ปล่อยให้มันแปรผันไปตามเรื่องของมัน จิตก็เป็นแต่ผู้รู้อยู่เท่านั้นเองจิตมีหน้าที่รู้เท่าอาการของร่างกายที่มันแปลปวนไปเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหากว่าอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว เช่ น, นี้ก็มแีแต่จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่แล้วก็กำหนดรู้เท่าความเป็นไปของร่างกายนี่ตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นเองเ พ, เพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดจะออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้จิตนี้ถ้าบุญเก่ายังให้ผลอยู่ บุญเก่านี่ก็ห่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปอยู่ยืดกายกับใจให้อาศัยกันอยู่ได้ดังนั้นเนะ่ะแม้นว่าจะได้พบกับความแปรปวนความทุกข์ทนทรมานของร่างกายอย่างไรอย่างไรมันก็หนีจากร่างกายนี้ไปไม่ได้เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมด ขอให้เข้าใจตามนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าไว้นั่นแหละทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงไปเรื่อยๆไปเพราะระวังครับมันไม่ได้แลจะไปฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้ก็ไม่ถูกเป็นกรรมเป็นเวรเหตุนั้นจึงกำหนดรู้เท่ามันเท่านั้นเอง ถ้ากรรมม่บาปผลหลังน้นตามมาสนองให้เจ็บให้ป่วยอย่างรุนแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายแล้วก็ต้งนึกถึงกรรมเวรของตัวเองนี่แต่ชาติก่อนตนพงได้ทำกรรมชั่วเวรชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมเวรนั้นจึงได้ตามมาสนองเอามาบีบพรันร่างกายอันนี้ให กำรุดสุดโทมแปลปวนไปแต่จะให้ตาย ก, ก็ไม่ให้ตายให้ทนทุกทรมานอยู่นั้นเมื่อรู้ว่ากรรมเวรของตัวเองทำมามันตามมาสนองเอาเช่นนี้แล้วก็เราจะได้อดทนอดกั้นต่ออำนาจแห่งกรรมเวรนั้ น, น, นไม่หวั่นไหวก็เมื่อทนทำมันมาแล้วนี่ จะเอาไปยนทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งกรรมทั้งหลายนั่นถึงขามันให้ผลแล้วมันต้องให้ผลไปอยู่นั้นจะทำยังไงมันก็ไม่ดับดังนั้นเราก็จึงมีได้ความอดทนอย่างเดียวกับรู้เท่าว่าไอ้กรรมทั้งหลายเวนทั้งหลายมันสนองมันก็สนองแต่ร่างกายเท่านั้นเองมันไม่สนองจิตใจ เมื่อใจมีคุณธรรมมีปัญญามีบุญกุศลเป็นที่พึ่งอยู่แล้วบาปกรรมนั่นมันก็สนองจิตไม่ได้เอดังนั้นจิตนั้นมนจึงอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมเวรอ น, นั้นได้เพราะจิตที่ฝึกฝนให้มีคุณธรรมอันมั่นคงอยู่ในใจแล้ว ก็ย่อมไม่หนไหวเพราะว่ารู้ว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนไม่ใช่มีใครมาทำให้ร่างกายอันนี้ทุดโทรมวิบัติแปรปรวนไปต่งตางๆนานาอนุภาพแห่งกรรมเวรที่ตนทามาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องไปเชื่อผีสางเทวดา อินผรมยมยักษ์อะไรมาลงโทษลงกรนำทุกมาให้แก่ตนอย่างน้นอย่างนี้ไม่มีทีม่มีใครทำอะไรให้ใครหรอกแต่ละที่อื่นก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่พูทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อเช่นนั้นเพราะมันไม่มีบูรณความจริง ไอความจริงแท้แล้วมันเกิดจากการกระทําของตัวเองโดยตรองอย่างนี้นะผู้ดใดมารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะพ้นจากกรรมเหล่านั้นพ้นสิเพราะว่าไม่ทํามันอีกเมื่อรู้ตัวแล้วว่า ทำอย่างนั้นเป็นกรรมชั่วไม่ดีแล้วก็อธิษฐานใจเว้นแล้วไม่ทํามันแล้วอย่างนี้นะภาวนาฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับฝึกปัญญาให้เฉลียวฉลาดขึ้นเรืเ่อยๆไปเมื่อปัญญาบาังเกิดยิ่งๆขึ้นไปแล้วจิตนี่มันก็รู้ยิ่งขึ้นไปหมายเขาว่างั้น รู้เมื่อมันรู้ยิ่งแล้วมันก็ อ, อุกมาเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละหากว่าไส้มันก็ไม่เสียสวิตมันก็ไม่เสียอย่างนี้แล้วกดสวิตเข้าไปไฟวิ่งเข้าไปสู่หลอดไฟท่องแสงสว่างออกมาในบริเวณนั้น ก็ย่อมสว่างอยู่นั่นเรื่อยไปอะไรผ่านไปในแสงสว่างนั้นก็เห็นก็เห็นได้ชัดเจนเลยอ่าอันนี้ทั้นใดก็เหมือนกันแหละงานความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝ น, นให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ย่อมรู้อยู่ตลอดไปเรื่องดีเรื่องชั่วอะไร กระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันรู้ว่าทุกข์ดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อมีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นแต่สภาวธรรมสภาวธรรมธาตุอาศัยกันอยู่ เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังปรากฏอยู่แต่ก็ปรากฏในลักษณะอาการแห่งความไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ใช่อย่างอื่นใดอืมทําไมมันจึงไม่เที่ยงนั้นเพราะเหตุปัจจัยมันล่อยหล่อลงไปเหตุปัจจัยที่บํารุง กรูปกายอันนี้เนะี่ยมันน้อยลงน้อยลงดังนั้นจึงทำให้ร่างกายนี้ทุดโทมไปมก็เราต้องพิจารณาให้รู้เท่ า, ใ ห, ทาให้รู้แจ้งอย่างนี้เมื่อเหตุปัจจัยคือบุญผู้สอนที่ทำมาแต่ก่อนยังอยู่ร่างกายอันนี้มันก็ยังเป็นปกติอยู่ได้กินได้นอนหลับ เดินเหินไปมางไหนก็ได้อืมโรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเวียนเพราะไม่มีกคำตนไม่ได้ทํากรรมชั่วมาแต่ก่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าตนไม่มีกรรมเวรในหนหลังมาตามสนองมันก็มีโอกาสให้ได้ทําความเพียรฝึกข้นจิตใจเต็มที่เลยคนไม่มีโรคอ่ะ พระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าอโรคยาปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่ ง, งนั่นแหละแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่นะสำหรับเกิดแก่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็เป็นปัใจจัยให้ได้ทำความเพีย จนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เบื่อหน่ายสิอยู่ๆแล้วก็เจ็บป่วยไข้เป็นนน่นเป็นนี่ไม่ขาดสายอย่างนี้นะแล้วเมื่อภาวนาอยู่กาําหนดพิณายังนี้มันไม่เบื่อจิตอยู่ได้ยังไง อ, อย่างนี้มันก็เบื่อเมื่อเบื่อแล้วทํายังไงอ่ะ เมื่อแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่าเป็นของเราเมืนันร่างกายมันพิบัติแปลปวนอันอันนี้ก็สัพพะวัฏสัพพะวัฒน ม, มันพิบัติแปลปวนไปเท่านั้นเองไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในธาตุเหล่านั้นเลยไอ้จิตที่ประกอบด้วยปัญญาแลี่มานต้องพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ มันไม่เห็นอยู่เนี่จิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าจิตนั้นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเพราะว่าสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นลงไปแล้วมันไม่หวันไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนั่นนะก็ชื่อว่าจิตนั้นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นถ้าจิตเป็นสมาธิด้วย แล้วทั้งมีปัญญาสอนด้วยข้างมีปัญญาสอนจิตตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อตนเองสอนตนตนเองได้เท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งสูงขึ้นมันก็กล้าหาญขึ้นไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อพยาธิภัยมรณะภัยที่ คุกขามอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่จุดประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะ น, นำสั่งสอนพุทธบริษัท ต, ตามที่เป็นจริงแท้แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้คนมีปัญญาให้มีใจหนักแน่นตั้งมั่น ตามรู้เท่าร่างกายสังขานตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้แ่ะจึงได้ชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นจะพ้นทุกข์คำว่าดับทุกข์ทางใจก็ดับอย่างนี้เองนะก็เมื่อเรา ละตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มีอายุยั่งยืนนานไม่อยากตายง่ายอยากให้มีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่องสวยสดงดงามอยู่เสมอไปไอ้ความอยากเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ละความอยากเหล่านี้แล้ว มันก็เป็นทุกข์ละใจแบบนี้เบงเง น, นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอืมทีนี้เราภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นแจ้งในานามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี่ละก็ปลงวางลงไปอย่าไปถือว่าเราเป็นอะไรร่างกายมันแปลพวนไปก็ให้กําหนดรู้ว่ า, าธาตุตีขาน่ามันแปลปวนไป หาทางแตกดับเท่านั้นแหละไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยเขาอโอกใายอุบายปัญญาสอนจิตเรื่อยไปอย่างนี้นะในบางคนมาพูดให้ฟังว่าภาวนาไปแล้วมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนีม้มีอาการกระตุกตามเส้นหมอบมีอาการ คล้ายๆกับว่าความรู้สึกแ้วมันหมุนเวียนเหมือนกับปงจับอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรอันนี้เลยก็เมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิต ว, ว่าอาการที่มันเป็นเหล่านี้มันเรื่องของร่างกาย ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วอาการที่มันเป็นนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราก็จะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอาการมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละอาการให้เกิดความสุขอย่างหนึ่งอาการให้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนี่มันก็มีสองอาการเท่านี้เองที่มันทาให้ ที่จิตใจหลงไหลเป็นทุกข์เรือดร้อนอมเมื่อรู้เท่าว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเรื่องของสภาวธาตมสภาวธรรมมันแปรปวนไปต่างหาก เมื่อรู้เท่าอยู่ในเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือมัน่นมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจก็เห็นจิตคือความรู้สึกอันที่เป็นกลางต่อร่างกายสังขารนี้อยู่อย่างนั้นหลังจากที่มันใช้ปัญญาซักฟอก จิตนี่เข้าไปบ่อยๆเขาแล้วจิตนี่ปล่อยวางความยึดถือแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นกลางเลยรแบนี้นะอะ่มันก็เป็นกลางมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปข้างแห่งความสุขไม่เอียงไปข้างแห่งความทุกข์ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์สุขใจก็ไม่สุขแบบนี้นะ สุขถ้าไปยึดถือเอาความสุขเดี๋ยวความสุขนั้นหายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทน อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสอนไม่ให้หยึดเอาทั้งสุขไม่ยึดเอาทั้งทุกข์ทำได้อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลาง มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยแบบนี้นี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตัณหาดับไปจากจิตแล้วทุกทางจิตก็ดับหมดเลยอันนี้มันเป็นความจริงแท้ต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้ ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตัณหาอยากให้ร่างกายนี่สมบูรณ์ุข俗 ก, ก็ไม่ว่าไม่อยากอยากให้มันแตกมันดับไปก็ไม่เอาอเรียวกว่ากรรมมันตกแต่งมาอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมนั้นๆจิตก็มีหน้าที่รู้เท่าตามเป็นจริงอยู่เท่านั้น อ, อันนี้ อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องฝึกตนที่จะต้องทำความภาคเพียรพยายามเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามฝึกผลตนไปอยู่เนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดได้แต่ความสงบอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะพี่นาอย่างไร อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงภาวนาไปก็มันซื่อๆ อ, อยู่นีน่อันนี้แต่ขอให้พากันเข้าใจต้องหาเรื่องให้มันคิดให้มันพิจารณาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเอา้ามันยังไม่เห็นทุกข์ก็นั่งภาวนาลงไป ให้ น, น, นานๆแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาอะไรแบบ น, นี้นะนั่นนี่แหละทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะพรุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เลยก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละนั่งไปนานมันจึงแปรผันวันไหวยไปเจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรเนี่ย ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แปรปวนอย่างนั้นเลยจะนั่งอยู่นานจะเข้าไรมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเล่าร้อนอะไรเลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันยังเป็นอย่างนี้เราถือเอาเหตุนี้ละสอนจิตเข้าไปดังนั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเราถ้าไปถือมัน่นในของไม่เที่ยง จิตใจพูดถือมัน่นนี่ก็เป็นทุกข์นี่ก็เดือดร้อนแล้วอย่างนั้นก็ใช่อุบายปัญญาสอนจิตนี่เรื่อยๆอไปมเมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วเห็นลงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนเราเขาเลยในขณะนี้ในปัจจุบันนี่แหละจิตนี่มองเห็นมองดูอวัยวะร่างกายส่วนใดๆก็ล้วนแต่เป็นของว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยอืมก็เมื่อมันมองเห็นเป็นของว่างอันนี้แล้วมันมันจะไปยึดถือเอาทําไหมวะเนี่ยที่มันยึดถือนั้น ก็เพราะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงอ่าอย่างนี้แหละอย่างเช่นชาวโลกนี่แหละอะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะก็ต้องไว้ผมยาวอตัดผมสั้นไม่ได้ถูกกำนีตีเตียนอืก็ได้จําเป็นต้องหมุนไปตามโลกบางคนอนะ่ะทั้งที่ไม่พอใจนะ เพราะลำบากแล้วเกินเห็นบางคนนะผมยาวแลยนอนหนึ่งมันก็ตกลงมาปกหน้าปัดซิดขึ้นไปคอเอียงเงื่อย่างนั้นเลยดูๆแนละ้วโอ้ยทนทุกข์ทรมานแล้วเกินนะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพี่นาเห็นอย่างนี้แหละพระองค์โยกโกนผมมนาะทิ้งไปซะเลย มันให้ผู้มาขอบวชกับพระ อ, องค์ก็ต้องโกนผมผมทิ้งตามพระ อ, องค์ไปก็ภ า, าระของร่างกายเนี่ยก็เบาไปเป็นอย่างๆไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอันในผู้ที่ยังหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณมากไม่กล้าตัดสินใจลงได้ไม่กล้าตัดผมนี้ทิ้งได้อย่างนั้นเนี่ย ก็กลัวโรกเขาจะลินทาเอากลัวกลัวเพศโปงกันข้ามจะไม่รักจะไม่ชอบใจจะต้องประดับตกแต่งต้องดัดต้องแปลงให้มันทันสมัยอยู่เสมอแล้วการดัดผมแต่ละทีต้องเสียเงินเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลย ท่านเมื่อมายึดถือร่างกายสังขารนี่โดยความยินดีพออกพอใจแล้วมันมันก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเน่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าอันใดมันเป็นภาระอันหนัก มันทำให้เป็นทุกข์ใจแล้วเราต้องจัดการมันนะกับสิ่งนั้นเลยนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเกินไปนะนั่นแหละแจึงเป็นผู้สันโดดมากน้อยเป็นผู้ไม่สะสมบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆได้มามากากดแจกให้ผู้ไม่มีไปนะ ตัวเองก็ใช้สอยพอประมาณเท่านั้นมันก็ภาระอันนั้นมันก็เบาจา ก, ก จ, จิตใจคือความห่วงความหวงแหนในวัตถุปัจจัยต่างๆเราด้วยนะนะมันก็เบาบางจา ก, กจิตใจไปนี่สําหรับผู้เป็นนักบวชนี่นะเพราะว่านักบวชนี่เป็นคนผู้เดียวไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีผัว นั่นแหละไม่มีบุคคลที่สองที่สามจะพึ่งหาเลี้ยงหาดูต่อไปมีตัวคนเดียวอย่างนี้นะมีตัวคนเดียวเท่านี้มันก็ต้องจำกัดบริขารเครื่องใช้สวยเฉพาะตัวพอมีพอประทังชีวิตไปได้วันวันคืนคืนไปเท่านั้น นี่มันก็เบาลงไปนี่พระพุธทธเจ้าตรัสว่าภาราหาเวปันจักท่านทาหันทางห้าเป็นภาระอันหนักภาราหาโรจปุกโลแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานางดูข้างโลเกการยึดถือภาระอันหนักเป็นทุกข์ในโลก ภารานิเคปนังสุขขั้งการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิคทิปิตวากรุงพารังท่านปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังภารังอไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สะมูลังตันหั่งอวุหา เป็นผู้รื้อถอนตันหากับทั่งมูลรากได้แล้วนิชชาโตปรินิพุโตติเป็นผู้หมดหยากดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แลพระศาสดาแสดงว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธศ า, าสนิกชนควรเอาไปคิดไปกลอง แม้ว่าผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ก็าตามเมื่อเอาธรรมะคําสอนอุบายที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ไปพิยาเข้าไปอย่างนี้นะ่ยและมันก็จะได้ปองภาระอันหนักที่ตนเคยแบกเคยหามานั้นได้อยู่บ้างเช่นภาระอันหนักที่ผู้ที่ชอบ ดื่มเหล้าเมาสุราคัญชายาผิ่นเฮโรอี น, นหรือชอบถูกบุหรี่ก็ถชาโมเนีเพิจารณาดูแล้วมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรมีแต่ก่อให้เกิดทุกข์ฝ่ายเดียวเห็นอย่างนี้ก็ตัดมันทิ้ง่ปเลยไม่บริโภคมันแล้วนี่มันก็ปงภาระอันหนักอย่างหยาบหยาบได้เลยฮะมันเป็นอย่างนั้น ธรรมะคาสอนพระรเจ้านั้นมันเหมาะสมกับบุคคลทุกระดับเลยแล้วการที่สะสมผ้านุ่งผ้าห่มไว้มาก ม, ม, มายกายกองเพื่ออวดกันอะไรหมู่นี้ผู้ที่พิพพนาาเห็นภาระอันหนักเหล่านี้แล้วก็จะไม่สะสมให้มากเกินประมาณเลยไม่ต้องไปคิดอวด กันแข่งขันประจันหน้าอะไรกันเลยให้นึกว่าการต่อแหวงหาเครื่องนุ่งเครื่องรุ่งเครื่องหมเครื่องประับประดาหเหล่านี้ร้วนจะเป็นภาระอันหนักเป็นทุกข์หลายผู้ที่มาเห็นทุกข์อันเกิดจากการสะสมอย่างว่านี้นะมันก็สละออกไปได้แล้วก็ใช้ถ้อย ประดับตกแต่งตัวเอาแต่พอสมมาสมควรใครจะนินทาหรือสารเสริญก็แล้วแต่เมื่อตนนั้นมันปงพาละเหล่านี้ออกไปแล้วมันสบายใจเบาใจอย่างนี้นะจนได้ความสุขใจเพราะอันนี้แล้วใครจะว่าไงก็ช่างมันก็ไม่หวัหน่นไหวแหละมันเป็นอย่างนั้ น, นทำคำสองพระ เ, เจ้านี่ถ้าผู้ที่เข้าใจปฏิบัติตามแล้ว จะเป็นเครือหัด ก, ก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามก็ทำทุกข์ให้เบาลงไปจริงๆเลยทีเดียวแต่ อ, อย่างนั้นทัา น, นทุกคนขอให้พิจารณาดูไอ้ที่ทมีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกเนี่ยผู้รู้ผู้ฉลาดเกิดขึ้นในโลกเพราะอะไรล่ละก็เพราะคนส่วนมากนะ มันไม่รู้ไม่ฉลาดไม่เห็นทุกภัย ใ, ในสงสารอันนี้ไม่เห็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นไม่ไม่มีปัญญาอุบายที่จะจะดับเหตุแห่งทุกนั้นเลยแล้วความพยายามความฝึกตนปฏิบัติตนให้ถูกทางก็ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ทางที่ถูกต้องหมายก็ว่างั้น น, ะนี่เหตุท่านมนุษย์ะ บรรนึงค้นทุกไปไม่ได้จึงติดอยู่ในห่วงแห่งกองทุกขเหล่านี้เมื่อพระศ า, าสดาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วคนอื่นในอริยสัจจะทำทั้งสี่พระองค์เจ้าจึงได้สอนให้เพิกถูกพจะวคีทั้งห้าให้ได้เห็นทุกข์เป็นเบื้องต้ น, นเลยนั่นแหละ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะความพัดผ่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความขบผาสมาคามกับบุคคลที่ไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์สุดท้ายการที่จิตมายึดมั่นถือมั่นในขันห่านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นทุกข์รวบยอดเลยแบบนี้ออื พระทิษุวัจจวัคคีทั้งห้าในทั้งห้านั้นมีโกนัญญะพรามเป็นผู้มีปัญญาเหนือกูเพื่อนเมื่อฟังพระธรรมจักพรพุทธศตสนสูตรไปท่านพิจารณาตามไปเมื่อพระองค์เจ้าแสดงจบลงปัญญาโกนัญญะก็ได้บรรลุโสดาปติผล ตั้นทั้งสี่นั้นยังไม่ได้บรรลุเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่พอแต่ก็ได้บรรลุวัน ต, ต, ต่อมาเรื่อยมาตัวลำดับนี่แหละขอให้ถือเอาใจความแห่งพระพุทธศาสนาให้มันได้ใจความคืออะไรก็คือทุกนี่เองเนี่ยถ้าหากว่า ชีวิตนี้ไม่ไม่มีทุกข์ชีวิตชีวิตนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนแล้วโอ้ผู้ทีจ่จะสร้างวรมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยศาสนาก็ไม่มีศาสน า, นาใดๆก็ไม่มีเลยในโลกนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะเพราะชีวิตนี้มันประกอบไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนา น, น า, นานประการดังที่เรา รู้เราเห็นเราผ่านกันมาสัมผัสกันมาแล้วนะดนีนะ้โดยเฉพาะความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นะอันนี้มันเป็นทุกข์ประจำขันจริงๆอันนี้เป็นไงนนแต่บคุคคลผู้ที่ประมาทสะสมตัณหาให้หนานแน่นขึ้นในจิตใจตัณหามันปิดบังจิตใจไว้ มันมันมองไม่ให้มองเห็นกองทุกเหล่านี้เลยมันตัณหามันให้มองเห็นแต่การประดับตกแต่งแต่ภายนอกสวยๆวยงามงามสีสันวันหนะ้าหลากหลายประดับตกแต่งร่างกาย สีแดงก็มีสีดำก็มีสีขาวก็มีสีกุหลาบก็มีไอคนหนึ่งๆน่นะผ้านุ่งผ้าห่มไม่รู้กี่สีเครื่องทองของหยองต่างๆประดับประดาเข้าไปเรื่องอามทั่วทั่วไอคนที่หลงที่เมาเห็นเขาแล้วก็ชอบอกชอบใจ การผูกพันเข้าไปเป็นอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้วนะไอ้เรื่องหมู่นั่นมันคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกเหมือนพลานเบ็ดนั่นแหละเขาเอาเหยื่อเกี่ยวใส่เบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำแข่งไปแข่งมา ปลาเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นอาหารอันบริสุทธิ์ก็ไปงับเอาเสียเบ็ดก็เกาะปากไปไปก็ไหนก็ไม่ได้เลยถึงซึ่งความตายอือันมรุษเราก็เป็นเช่นนั้นเละไปหลงสมมุติอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหล่านั้นแล้วก็ไปผูกพันุ์เข้าไปเมื่อผูกพันธุเข้าไปแล้ววันนี้ก็ ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นและีเพราะว่าอันใดก็เป็นของไม่เที่ยงบัเ น, นี่ยหาได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปหมดไปแล้วมาหาใหม่อยู่อย่างนั้นมันจะมาให้เป็นทุกข์ยังไงเราตรงนี้ก็เมื่อพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้ว พระองค์จึงทรงสอนให้พุทธบริษัทมองให้เห็นทุกข์เห็นความเกิดนี่แหละมันเป็นทุกข์นะถ้าความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพยยิไรลำพันธ์อะไรต่างๆนะ่ะก็ไม่มีเลยอมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ ละทัณหาอุปทานเสียชื่อว่าเป็นผู้ละต้นเหตุแห่งความเกิดพยายามฝึกฝนจิตใจอันนี้เข้าไปอย่าให้มันอยากได้อะไรในโลกนี้พูดสั้นๆ น, นะอย่าให้มันยึดถืออะไรว่าเป็นของเราของเขาเลยในโลกนี้อย่างนีนะ้สอนใจเข้าไปสิ่งใดได้มาถิงควรที่จะสละ ก็สละได้เลยถึงเวลาสละก็สละมนันออกไปได้สละออกไปก็ก็เหมือนเดิมมีอยู่ก็เหมือนเดิมก็รู้สึกนั้นไม่ขึ้นไม่ลงอะไรเลยสละออกไปแล้วก็ไม่เสียดายเมื่อเวลามีอยู่ก็ก็ไม่ผูกพันกับมันไม่ถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นสมบัติของโลก เพราะว่ามันแตกดับไปมันก็อยู่กับโลกนี่ไม่ไปไหนแม้แต่ร่างกายนี่แตกดับไปก็ไปอยู่กับโลกนี้ไม่ไปไหนแต่พิจนาเห็นอย่างนี้แล้วแม้จะมีสมบัติมากมายกายกองก็ไม่เดือดร้อนแล้วผู้นั้นก็รู้จักกำเนกแจกทานรู้จักใช้จ่ายเงินทองนั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น นักบวชก็เหมือนกันหาก็มีอัติเรกราบล่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ก็มีจิตสม่ำเสมอไม่พูขึ้นไม่แฟบลงกับราบกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆเหล่านั้นผู้ฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ถึงเข้าใจไอ้ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงอบอบรมปัญญาไ ม, ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อราบยศสนเสริญอะไรปรากฏมาชื่นชมยินดีกระตือรือร้นสะสมเข้าไว้ เกิดความตนีห่วงแหงขึ้นมาไม่ยอมใช้ใจสมบัติเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องคล้องอยู่ในวัตาสงสารมากมายไม่ใช่น้อเหมือนกันนะคอยพากับพี่นาดูให้ดีอย่าว่าแต่กระหาหัดเลยแม้แต่นกักปวดนี่มันก็ไปไม่รอบเหมือนกันนะ ถ้ามันมีจิตค้องอยู่อย่างว่านี้อื่ไปไม่รอดแล้วตกกระฝองไปเลยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวเพิกโคมมาต่างๆอยู่หมู่นั้นนะราษฎร์กการะเนี่ยเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันฆ่าเจ้าของเองให้ตายทั้งเป็นเลยมันเป็นงั้นนี่เอามันน่ะ อา้าวบุคคลผู้เท็ไม่มีลาบมียศกับเน้อยเนื้อตาใจเมื่อตนไม่มีลาบไม่มียศไม่ได้รับคํามสรเสริญเยินยอจากคนทั้งหลายเห็นผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยลาบยศสนเสริญเยินยอต่างๆก็ น, น้อยอกน้อยใจอันนี้เรียกว่าเมื่อตนไม่มีลาบมียศกรจิตแฟบลงไป อันนี้มันก็เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิัติธรรมทั้งหลายนะต้องพยายามทำจิตให้หนักแน่นได้เข้มแข็งมีปัญญารู้เท่าโลกกระทำทั้งแปดประการนั้นให้ได้โลกกระทำนันหมายเพราะว่าทำที่มีอยู่ประจำโลกใครเกิดมาก็จงมาเจอทางนั้นเลย พระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็มีอยู่ตรงนี้ยราบยศสรรเสริญความสุขความทุกข์ความเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมจากความสุขสเสวยความทุกข์ต่างๆนี่เรียกว่าธรรมประจําโลกพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดมาทำเหล่านี้ก็มีอยู่นั่นใครเกิดมาได้ต้องได้มาพบ ความมีลาบความเสื่อมลาบเป็นต้นเหล่านี้ดะอยู่เสมอแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายัางได้ทรงสอนให้รู้ว่าโลกกระทำมีลาบเป็นต้นเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาควรรู้เท่าตามเป็นจริง อย่าให้มันครอบงมจิตได้คืออย่ายินดีในสิ่งที่ให้เกิดความพอใจต่างๆอย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่ให้เกิดความพอใจต่างๆถ้าฉะนั้นทำยังไงทำใจงไงก็ทำใจเป็นอุบเบกขาเลยอยู่ในระหว่างความมีลาบมียศเป็นต้นและความไม่มีลาบไม่มียศเป็นต้นเหล่านี้นะ จิตก็อยู่ในระหว่างกลางเลยเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมได้รับความสุขความสบายเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุต่างๆดังกล่าวมานั้นเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบจิตจากปัหาดังกล่าวมานั้นนั่นแหละ อันนีไ้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานโดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้